พระไตรปิฎกฉบับประราปรชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่สามสิบหมหาสัจจกะสูตรสูตรว่าด้วยสัจจกะนิครนสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเตรียมเสด็จเข้าสู่กรุงเวสาลีเพื่อบินธรบาดพระานนท์ เห็นส um, ัตจการนิครนเดินมาแต่ไกลก็อาราธนาพระผู้มีพระภาคให้ประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเพื่อสงเคราะห์เขาสัตจกะนิครนก็เข้ามาเฝ้ากล่าวปราศัยแล้วตั้งกระทูขึ้นว่ามีสมณพราหมณ์บางพวกประกอบการอบรมกายแต่ไม่ประกอบการอบรมจิตเมื่อได้รับทุกขเวทนาทางกายก็อาจเป็นโรคอมพาธขาแข็ง หัวใจแตกอาจเป็นหัวใจวายหรือเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเจียนเป็นโลหิตจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้าจิตของคนเหล่านั้นเป็นไปตามกายเป็นไปตามอำนาจของกายเพราะไม่ได้อบรมจิตส่วนสมณะพรามอีกพวกหนึ่งประกอบการอบรมจิตแต่ไม่ประกอบการอบรมกายเมื่อได้รับทุกขเวทนาทางจิตเจตสิก ก็อาจเป็นโรคขาแข็งหัวใจแตกอาจเจียนเป็นโลหิตจิตฟุ้งซ่านเป็นบ้ากายของคนเหล่านั้นเป็นไปตามจิตเป็นไปตามอำนาจของจิตเพราะไม่ได้อบรมกายข้าพเจ้าคิดว่าสาวกของพระสมณะโคดมคงประกอบการอบรมจิตไม่ประกอบการอบรมกายพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า การอบรมกายที่ท่านได้ฟังมาตามคำพูดของท่านเป็นอย่างไรสัจจกานิครนอ้างชื่อนันทะวัชโคตกิสะสังกิตจชโคดมัคคลิโคสารซึ่งเปลือยกายยืนถ่ายอุจจระปัสวะและกินอาหารเลียมือเป็นต้นจนถึงกินอาหารวันละครั้งสองวันครั้งจนถึงกึ่งเดือนครั้งตรัสถามว่า อย่างชีพด้วยอาหารเพียงเท่านั้นเองหรือทูลตอบว่าบางคราวก็กินดื่มอาหารดีๆให้เกิดกำลังกายตรัสตอบว่าร่างกายของสมณะพรามพวกนั้นที่ละทิ้งการทรมานตนในเบื้องแรกมาสะสมในภายหลังจึงเจริญบ้างเสื่อมบ้างหมายเหตุประเด็นสำคัญตอนนี้คือการตีความหมายถ้อยคำว่าอบรมกายเป็นอย่างไร อบรมจิตเป็นอย่างไรเฉพาะการอบรมกายพวกนิครนถือว่าคือการทรมานร่างกายแต่แล้วก็กลับชี้ให้เห็นความย่อหย่อนในภายหลังพระผู้มีพระภาคจึงทรงติงไว้ในตอนท้ายอัตถกถาแก้ว่าความหมายของฝ่ายพระพุทธศาสนาไม่เหมือนกันโดยชี้ว่าอบรมกายได้แก่วิปัสนาคือปัญญาอบรมจิตได้แก่สมถะ คือสมาธิจึงควรเข้าใจว่าคำว่ากายนั้นไม่ได้หมายถึงร่างกายเสมอไปหากหมายถึงนามกายหรือธรรมะที่เกิดกับจิตคือเจตสิกซึ่งมีที่ใช้อยู่หลายแห่งแต่ก็น่าพอใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงย้อนถามให้นิครนตีความถ้อยคำของตนเองเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่ยุ่งตรัสถามต่อไปว่า การอบรมจิตที่ท่านได้ฟังมาเป็นอย่างไรสัจจการิครนไม่สามารถตอบได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าการอบรมกายข้างต้นตามที่เขาเข้าใจไม่ใช่การอบรมกายในอริยวินัยก็เมื่อไม่รู้การอบรมกายแล้วจะรู้การอบรมจิตอย่างไรครั้นแล้วจึงตรัสบอกให้คอยฟัง ผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตคือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อความรู้สึกเป็นสุขคือสุขขเวทนาถูกต้องก็กำหนัดในสุขเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะสุขขเวทนาดับไปก็เศร้าโศกคร่องครวนหลงเละสุขขเวทนาเกิดขึ้นครอบงามจิตของผู้นั้นได้ก็เพราะไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาเกิดขึ้น ครอบงามจิตของผู้นั้นได้ก็เพราะไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายครอบงาจิตเพราะไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตอย่างนี้สำหรับข้อนี้อัตฉริยแก้ว่าอบรมกายได้แก่วิปัสนาเพราะวิปัสนาใกล้ข้างทุกขเวทนาจะสังเกตว่าผู้เจริญวิปัสนามานาน มักมีเหงื่อแตกรู้สึกร้อนบนศีรษะส่วนอบรมจิตได้แก่สมะถะคือสมาธิเพราะผู้เจริญสมาธิเข้าสมาบัติความทุกข์จะหายไปแล้วตรัสอีกว่าผู้อบรมกายอบรมจิตคืออริยาสาวกหมายถึงสาวกของพระอริยเจ้าผู้ได้สดับที่ตรงกันข้ามกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่ครอบงําจิตของผู้นั้นได้สัสจกานิกรนกล่าวแสดงความพอใจเห็นด้วยกับพระดํารัสอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภายหลังที่เสด็จออกผนวดแล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาจะครอบงําพระอฤทัยของพระองค์ตั้งอยู่ได้ซึ่งศาสตจาณิกรน ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าเป็นเช่นนั้นครั้นแล้วตรัสเล่าเรื่องที่ทรงเห็นการครองเรือนเป็นเหมือนทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นส่วนการบรรพชาเหมือนที่กลางแจ้งจึงเสด็จออกบรรพชา ท, ทั้งทั้งที่พระมารดาบิดาทรงกันแสงไม่ปรารถนาให้ออกตั้งแต่อยู่ในปฐมวัยพระเกศดำสนิท แล้วตรัสเล่าต่อไปถึงการสแสวงหาสันติวรบทคือทางอันประเสริฐไปสู่สันติทรงศึกษาในสำนักอาลาระดาบทการามโคดและอุทธกะดาบทรามบุตรเมื่อแม่ทรงพอพระหฤทยัยว่าจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานจึงเสด็จออกจากสำนักของสองดาบทนั้นจาริกไปโดยลำดับถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ตรัสเล่าถึงอุปมาสามข้อที่ปรากฏแก่พระองค์ 1. ไม้สดชุ่มด้วยยางแช่ในน้ำไม่สามารถจะสีให้ไฟติดได้เปรียบเหมือนสมณะพราหมณ์ที่มีกายไม่หลีกจากกามมีความพอใจในกามแม้จะบำเพ็ญเพียรได้รับทุกขเวทนากล้าก็ไม่ควรได้ตรัสรู้ 2. ไม้สดชุ่มด้วยยาง วางอยู่บนบกไม่สามารถจะสีไฟให้ติดได้เปรียบเหมือนสมณะพรามที่มีกายหลีกจากกามแต่ยังมีความพอใจในกามแม้จะบำเพ็ญเพียรได้รับทุกขเวทนากล้าก็ไม่ควรได้ตรัสรู้สไม้แห้งวางอยู่บนบกสามารถจะสีไฟให้ติดได้เปรียบเหมือนสมณะพราม ผู้มีกายออกจากกามละความพอใจในกามเสียได้ดีแม้จะไม่บำเพ็ญเพียรได้รับทุกขเวทนากล้าก็ควรตรัสรู้ได้ตรัสเล่าถึงการทรมานพระกายเช่นกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุกด้วยพระชิวหาคือใช้ฟันกดฟันใช้ลิ้นกดเพดานจนเหงื่อไหลออกจากรักแร้ คือพระเสโทไหลออกจากพระกัจชะการกลั่นพระอัศสะปัสสะกลั่นลมหายใจเข้าออกทางจมูกจนลมออกทางหูคือกลั่นพระอัศสะปัสสะทางพระโอษและพระนาศิกจนเกิดเสียงเมื่อลมออกทางช่องพระกันการกลั่นพระอัศสะทั้งทางพระโอษทางพระนาศิกและทางพระกันจนมีความรู้สึกที่พระเสียน คล้ายคนเอาของแหลมคมมากดลงไปจนลมเสียดพระอุทธร์คล้ายเอามีดเชือดจนประกายเร่าร้อนเหมือนถูกย่างบนหลุมถ่านเพลิงทุกขเวทนาก็ไม่ได้ครอบงามพระหฤทัยตั้งอยู่ได้ทรงแสดงการอดพระกรยาหารด้วยประการทั้งปวงการกลับเสวยพระกระยาหารอ่อน ประเภทยเยื่อถั่วต่างๆทีละน้อยประมาณฝายมือหนึ่งจนกระทั่งสู้ผอมแล้วส่งแสดงว่าสมณะพราหมณ์ที่บำเพ็ญเพียรได้รับทุกขเวทนากล้าก็อย่างยิ่งเพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ตรัสถึงการที่ส่งระลึกถึงการสงัดจากกามได้ฌานที่หนึ่งที่ร่มเงาไม้ว่าในสมัยที่ยังทรงพระเยา ว่าจะเป็นทางตรัสรู้ได้จึงกลับเสวยพระกระยาหารหยาบซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุห้ารูปหาว่าพระองค์ทรงมากมากคลายความเพียรจึงพากลีกไปพระองค์จึงทรงบำเพ็ญฌานได้ฌานที่หนึ่งถึงสสุขเวทนาก็ไม่ครอบงำพระหรไทัยของพระองค์ตั้งอยู่ได้ทรงได้ปุเพนิวาสานุสติญาณ คือยานระลึกชาติก่อนได้ในยามแรกทรงได้จตุปปาตายญาณในยามกลางคือยานเห็นความตายความเกิดและทรงได้อาสวะขยะญาณในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือยานอันทาอาสวะให้สิน้นสุขเวทนาเห็นปานนี้ไม่ครอบงำพระหริยไทยของพระองค์ตั้งอยู่ได้ ตรัสถึงการส่งแสดงธรรมในบริษัทหลายร้อยซึ่งแต่ละคนก็คิดว่าทรงแสดงธรรมปรารบเขาคนเดียวซึ่งไม่ควรเห็นอย่างนั้นทรงแสดงธรรมด้วยดีแก่เขาทั้งหลายเพื่อให้รู้แจ้งพอแสดงจบก็ทรงตั้งพระมานัตในนิมิตก่อนหน้าคือการแสดงนั้นทำให้อารมณ์เป็นหนึ่งในภายในอยู่เป็นนิดด้วยสมาธิจิต สัจจการนิโครนยอมรับว่าเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแล้วทูลถามว่าเคยทรงนอนหลับกลางวันหรือไม่ตรัสตอบว่าทรงระลึกได้ว่าในเดือนสุดท้ายฤดูร้อนเสด็จกลับจากบินทบาดเมื่อสวยเสร็จแล้วทรงปูผ้าสังคาสี่ชั้นทรงเอนข้างมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับ สัจกะนิครนกล่าวว่าสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงการนอนหลับกลางวันว่าเป็นการอยู่ด้วยความหลงตรัสตอบว่าเพียงเท่านั้นยังไม่นับว่าหลงหรือไม่หลงแต่หลงเป็นอย่างไรไม่หลงเป็นอย่างไรจะทรงแสดงให้ฟังทรงแสดงว่าผู้ใดยังละอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดาล อันทำให้เศร้าหมองทำให้เกิดอีกไม่ได้ผู้นั้นชื่อว่าผู้หลงถ้าละได้ก็เรียกว่าผู้ไม่หลงตราคคดละอาสวะได้แล้วเหมือนตาลยอดด้วนที่จะไม่งอกงามขึ้นมาได้อีกสักจจกะนิครนชมเชยพระผู้มีพระภาคว่าหน้าอัศจรรย์ที่เมื่อถูกถ้อยคำกระทบกระทั่งยังมีพระชวีวันผ่องแผ้ว มีสีพระพักผ่องใสดังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับข้อนี้แสดงให้เห็นว่าสัตจกนิครนไม่ได้ถือว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ชมเชยว่ามีลีลาเป็นเช่นนั้นสัจจการิครนยังเล่าต่อไปให้ฟังอีกว่าตนเคยโต้อตอบกับครูทั้งหก คือปุรณะกะสปะมะคัคคิโคสาละอาชิตะเกสกรัรมภละปกุทะกะจัจจายนะสัญชัยเวรัตบุตรและนิครนธนาตบุตรพอตอนเริ่มวาทะด้วยก็พูดเลี่ยงไปเสนนอกเรื่องแสดงความโกรธความคิดประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏส่วนพระผู้มีพระภาคกลับมีพระชวีวันพองแพ้่ มีพระพักผ่องใสครั้นแล้วสัจจกะนิครนก็ทูลลากลับไป